ขอหนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้ารหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วพากันนั่งสบายๆไม่ต้องประนมมือนั่งฟังธรรมะฟังเทศเทศนาวาการธรรมะเป็นโอวาทเป็นคำสอนดันั้นพึงตั้ง หลักชนะรับรองก็คือทั้งกายทั้งใจนั่นแหละเอาความสะดวกตามที่มันจะเปิดรับได้เท่าที่ประคับประคองได้ให้ท่าไหนที่สบายๆนั่นแหละวันนี้ก็เป็นครบรอบอย่างที่พวกเราท่านทราบฟันนั่นละ กำหนดขึ้นมาแล้วมันครอบรอบงานบุญของบุญงานบุญของคณะศรัทธาพวกเราชาวเที่ยวที่ครบรอบวาระกำหนดขึ้นมากว่20ปีถ้าเป็นผู้เป็นคนก่อนดีว่าโตเต็มวัยแล้วบรรลุนิติภาวะภาวะเดียงสารุเหมือนรู้ใายรู้ผิดรู้ถูกแล้ว แต่ก็มีเหตุการณ์ไม่ปะกะติอย่างที่พวกเรทาทำทั้งหลายสาบานนั่นแหละคิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพราะชีวิตพวกเราก็มาขนาดนี้ก็ไม่เคยไม่เคยเตรียมการไม่เคยอยากจะเจอไม่เคยเตรียมการว่าจะเจอสภาวะอย่างนั้นอย่างเมื่อวา น, นเหตุการณ์ <S 2> <S 2> <S ไม่ว่า ใครละ่ะจะเข้มแข็งบึกเบือนขนาดไหนก็ปดหวั่นไหววิตกวิจารสะทกสถานคิดไปสารพัดจะคิดนั่นแหละเหมือนถูกอะไรมันบอกไม่ถูกความอับอั้นใจความสลดหดหู่อืมเน่ยมันเป็นธรรมชาติที่ เป็นเองนั่นแหละสภาวะใจสภาวะจิตมันหวั่นไหวไปตามอารมณ์อารมณ์ร่วมคนทั้งชาติมีอารมณ์ร่วมกันอศูนย์รวมดวงใจดวงหัไทยของถไทยดวงหนึ่งแต่มันเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติเทากับคนคนหนึ่งละ่ะอยู่นเหตุการณ์นั้นๆซึมซับเอาเหตุการณ์อย่างเมื่อวานเนี่ยออ มันบอกไม่ถูกอารมณ์อย่างนั้นแหะท่านนุวะเห็นไหมความรู้สึกนึกคิดมันไม่เหมือนวัดถูกจิตใจน่ะมันจะกล้าแกลงแข่ง แ, งแกลงมาจากไหนก็ตามลนะ่ะโดนอารมณ์อย่างนี้มาเขย่าก่อกวนแล้วแล้วเร า, าเล่าพับมันมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามากัดแทะเข้ามากัดแทะเข้ามามีแต่วความอา อ, าอะไรมาเป็นเครื่องพาอยู่เหรคราวนี้เห็นไม้ม นอกจากวิชาอัตวิชาธรรมแล้วจะไม่มีที่ปร่งที่ว่างหรือพวกเรายัางมีศา ส, สนวาดโอวาทคำสอนของนักปราช์คือพระพุทธเจ้าประทานเป็นพระโอวาทไว้ชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทพทุกขทรมนัสุปายาสะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของศัตังขารความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาธรรมดา ไม่มีใครหน้าไหนจะมาอาถรรพ์ท่านทา น, ทานพญามัจจุราชซึ่งเป็นผู้เป็นใหญ่ในขบวนการเวียนไหวแต่เกิดนี่คือพญามัจจุราชนั้นมีธรรมชาติหนึ่งก็คือเสนามานเสนาอันน้อยใหญ่อืมพวกมีเสนาใหญ่ห้าเส้นในนามัจจุนานักปราดท่านตรับไว้อย่างนั้นว่าไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ที่โปร่งที่วางพอที่จะ ผ่อนคลายได้บ้างแต่่านนั้นมันก็ยังอดไม่ได้ที่จะโศกอาดูนเพราะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมเหตุการณ์มันพายดําเนินไปพายเป็นไปเ ห, นนเหมือนกัรโลกนี้จะดับเหมือนเขาเราก็จะดับไปพร้อมกับโลกมันอะไรบอกไม่โ น, นเห็นไหมละ่ะนี่นี่ดูวัดจาเพาะขนาดแต่พวกเราชีวิตของพวกเราต้องเรียนดําเนินเห็นไหมละ่ะนี้อะไรเป็นเครื่องอยู่กับอาศัยการเวลา สมัยนั้นแหะเป็นเครื่องเยี่ยยามันไม่ได้จมปลักไปอย่างนั้นขณะ น, นั้นเหมือนกับจะเป็นจะตายเหมือนกับจะสลบสลายเหมือนกับจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่คิด ing, ว่าจะรอดมาถึงวันนี้พอรอดขึ้นมามนปั๊บเป็นอย่างไงล่ะครับนี้นั่นทําให้เห็นชาดิวัตอารมณ์มันก็แปลเปลี่ยนไปสิ่งที่มาเขย่าก่อกวาจิตใจมันไม่ได้หยุดเน่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมีอารมณ์มันมีอ า, มมอาการแปลเปลี่ยนไปท่านถึงวันสัพเพสังคารอาอนิจจา สภาวะทั้งหลายท่านบ่าสังขารอาไปจากคิดจากใจของแต่ละคนนั่นแหะมันมาคิดเรื่องเดียวกันเออเรื่องโศกคาดู น, นาทอนร้อนใจไปเสีงหมดนั่นแหะแต่มันก็ไม่แน่ไม่มีความจรังยั่งยืนเออไม่มีอะไรพอที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้เสมอไปเพราะอะไรเพราะกฎเกณฑ์ของอืมตรายลักษณะคือลักษณะความเป็นใจเป็นไปของสัตว์สังขารเป็นอย่างนั้น ถือคืออันนี้จะลักษณะมันแสดงอาการขึ้นมาวัดอย่างไงมันก็ไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจะเกิดกี่ครั้งมันก็ดับเท่านั้นครั้งนั้นแหะแต่มันคิดเรื่องเก่าดับเกิดเรื่องเก่าดับเรื่องเก่าเรื่องเก่าเกิดเรื่องเก่าเก่าดับอืมถ้าตราบใดยังไม่เห็นพิษเห็นไทยคนไม่จะเกิดตำสาคชเจอยู่นั้น่แหลมเราจะพอใจพอมาตรฐานนั้นเฉลยเราต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ให้มันอยู่ได้เพราะชีวิตต้องดําเนินถ้าจะม่มัวสลดหดหู่อย่างนั้นมันจะอาภัพมาเสียชีบหายล่มจมแต่กับอารมณ์อารมณ์มันจะทําให้เราสลดหดหู่อารมณ์นั่นแหละมันจะทําให้เรามอดไหม่อารมณ์มันจะทําให้เราอาภัพอาบเฉาเราต้องความเฉลียวฉลาดนักปราชญ์ท่านสอนไว้ให้สร้างขึ้นมาสิสร้างอารมณ์ที่มันเอเปิดทางให้เราดําเนินให้เราเดินอืเอาความจริงเข้าไปเปิดเอาความจริงเข้าไปว่าอันนี้จัง อารมณ์มันก็เปลี่ยนของมันอยู่เราก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอารมณ์ใหม่เห็นไหล่ะความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นล่ะความไม่แน่นอนความไม่จรังนั่นละมันทำให้เราทุกทุกทรมนัทมันเกิดอยู่ที่ใจแต่มันก็ไม่มีความจรังยั่งยืนมันเกิดมันดับ รัได้ที่ยังถู่ภายาใต้กฎเกณฑ์เหล่านี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นล่ะทันถึงว่าเอาความรู้ความเฉลียวฉลาดมาชี้ช่องบอกทางแนะนําจิตใจของเราออกจากสภาวะเหล่านั้นยัดรวมหัวจมท้ายไปกับคําว่าไตรลักษณ์ถ้าเราอยู่ในกฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์มันไม่ค้นต้องเป็นอยู่อย่างนั้นแหละวนอยู่ในกรอบของมัน มันตีกรอบให้เราอยู่อันนี้จังก่อนจําเป็นในพคลักเคล้าไปกับมันเหมือนก็นจะไม่กิรังยังง่งยืนไปกับมันคว า, ามจริงจิตใจของเรานี่ไม่ใช่ธรรมชาตินั้นเนี่ยเจตใจของเรามันอาจฐานอยู่กับความรู้ความรู้ก็คือจิตทือใจคือพุทธพุทโธยิ่งิ่งอยู่ที่จิตที่ใจแต่เวลานี้มันคลักเคล้าอยู่กับอาการข้างนอกขงอกขงคืนธาตุคือขันขันข้างนอกขันข้างในสังขารขันนี่แม่ล่ะ มันก็เลยหว่านไว้ไปตามความไม่จรังยั่งยืนกัเหมือนเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนว่าเราเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงมันเหมือนเฉยๆมันยังไม่จริงเราต้องถอนตัวออกมาจากไตรลักษณ์เอาความจริงออกมาอยู่เป็นอิสระบ้างได้ไหมมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีธรรมชาตินึงก็คือกฎเกณฑ์ของกรรมนิยมเราเป็นผู้มีอยู่เป็นอยู่มีอะไร่ะ นักปรารวนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นพุ่ยผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามยังกรรมังกริสามิกลยาังวาปาปะกงวานั่นสิ่งที่เราพอจะมีเรามีกรรมเป็นของของตนเวลานี้เราโมเหม่าว่าเรามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แตนั้นมันเป็นเครื่องอาศัยยังไม่ใช่ของที่มันมีแต่ความจริงที่ว่าที่ว่ามีมีนกะ่มีตามกฎเกณฑ์ของ มัตตะสงสารเพราะฉะนั้นท่านถึงวา่าสราดได้ที่มันยังมีอยู่ก็ให้มีในส่วนที่เป็นธรรมชาติอี่จะฟูขึ้นจมขึ้นสร้างทุนสร้างเกราะสร้างเครื่องอำนวยความสุขก็คือกุศลกรรม เพราะปรารถนาแต่ความสุขอยากได้คดีดีอแท้อ อ, อยากจะพบเห็นแต่ความสุขความเจริญแต่สร้างเหตุกลับกันมันก็ไม่ได้อยู่ดีหนะึ่งสิ่งที่เรามีก็เป็นผลผลของการกระทําก็คือกา ย, ยกรรมวจีกรรมโนกรรมงั้นสิ่งที่เราทําได้แต่เราทํานอกโลกนอกทางกฎเกณฑ์ของความเหตุนั่นจะเป็นปรารถนาอย่า ง, ราาางสร้างอย่างปรารถนาอย่างสร้างอย่างไม่อยากทุกข์ไม่อยากอาภัพไ ม, ไ, มไม่อยากอับเขาไม่อยากจองไม่อยากคิดาย แต่สร้างความอาภัพเอาเฉาให้เจ้าของโดยการกริยาการห้องมันก็คือความง้อพาธรำความเห็นแก่เนื้อกลือตัวความไม่เสียสละความไม่แบ่งไม่ตันความเอารัดเอาเปรียบความไม่เป็นท่าทั้งหลายนั่นแหะมันจะแสดงออกอยู่ภายในใจจากนั้นก็ออกมาทางกายทางวา จ, จาออกมาจากสิ่งที่มันครุ่นคิดอยู่ภายในใจนั้นน่ะมันคิดความเห็นแก่เนื้อเกลือตัวมันคิดอยู่ภายในใจมันแสดงออกมาทางวา จ, จาบ้างทางกายบ้างหรือว่ากายกับวจีกรับผลสุดท้ายก็พอกโพนให้เป็นเป็นมโนกรรมเป็นเรือนรังของเรื่องราวทั้งหลายก็คือ จิตใจคือมโนคลังของสุขคลังของทุกข์มันอยู่ที่จิตที่ใจอพวกเราเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดเป็นผู้เกิดผู้ตายเป็นผู้รับผลของการกระทําของกรรมและกรรมออกายกรรมวิจิกรรมนั้นๆก็คือจิตคือใจเป็นผู้รับผลไอ้เรื่องกายนะั้นเป็นเ อ, อเป็นเวทีเป็นสถานที่เกิดแต่มันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราอะไรดูจริงๆมันไม่ได้เรื่องไม่ไราวไม่เช้าเหนือเอาเราฉันอะไรเข้ามันที่เหมาะสมเราทานอะไรเข้าไปที่มันว่าดี ลิ้นแค่นั้นละ่ะมันพอที่จะรับทราบนิดนึงิงจากน้ำผ่านเข้าไปปับ๊บถ้ามันไม่ได้เรื่องกันแล้วละ่ะอืเพราะฉะนั้นท่านต้งใช้สติปัญญาเพียงน์นกดูให้มันชัดว่านอกจากลิ้นแล้วมันมีอะไรที่จะมามมีเรื่องได้เรื่องเสียกับสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราบ้างอืท่านนึกเอาความเฉลียวฉลาดเอาความถูกต้องดีงามความฉลาดของคนธรรมดาธรรมดานั่นละ่ะเออสารของกาย มีภาคธรรมดาธรรมดาความต้องการอาหารหวานขาวประเภทไหนโกกนทกะดาาดกระขันไม่ใช่ว่าโทกะดปลายลิ้นโอเคปลายลิ้นเตินประมาณเอาประมาณไม่ได้เพราะปลายลิ้นมันไม่ได้รับผิดชอบทั่วไปเนี่ยฮึมของมันก็มีภาระต้องรับภาระเรื่องเหล่านี้ก็เพาะมันจะย่อยได้ไหมเพราอายุเท่าไหร่เป็นยังไงแั้วทุกความเหมาะพอดีของขาดของขันของไว ไม่ ใ, ใช่ว่าจะเคยกินเคยได้เคยรับสารนังคัตสามีไปเพราะมันรสชาติอย่างนั้นเราชอบแต่เราชอบคําว่าเราชอบมันอาศัยลิ้นมาเป็นอืเครื่องบอกทางนิดเดียวเองจากนั้นภาระก็คือหนักตึ้งที่ขาาั้ะที่ท้องที่ทา่ทาที่ขันส่วนรวมใครไม่เป็นภาระละ่ะพระอืดพระอมอยู่เวลานี้เพราะอะไรเพราะความไม่รับผิดชอบความโง่อนั่นแนละนแค่นี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าความโง่มันนําพาความเลือดร้อนวุ่นวายสู่เจ้าของแค่ธาตุขนันนั่นเอง แต่ความโง่จริงๆจังๆความไม่เป็นธาตุเยี่ยงๆคือความโมหจิตอืมจิตล่มหลงนั่นต่างหากนำพิษนำภัยมาสู่ใจมาสูจิต ah สู่ใจจริง ๆ, ๆก็คือความไม่สํารวมทางจิตทางใจความไม่เป็นทาทางจิตทงใจความไม่รับผิดชอบความไม่มีสติความไม่มีปัญญาเอออะไรก็กวาด ม, มาซะหมดไม่มีที่รุ่นเหงา ร, ร, รู้ได้ไมาจะเป็นพิษหรือเป็นคุณอนสิ่งไหนเป็นพิษสิ่งไหนเป็น คุณอะไรพิดมากพิดน้อยคุณมากคุณน้อยอะไรล่ะไม่มีอะไรเลยเหลือความเป็นมนุษย์เราไม่มีเลยเหลืมความเป็นพวกเป็นคนความเป็นมนุษย์ความเป็นพวกเออมีการสับตรับฟังมีการศึกษามีการรู้กันเห็นมีการใคร่ครวนไตรซองที่สัมมารกระหน่งสยโยนักปราชญ์ท่านสอนกันอย่างนั้นใคร่ครวนไตรซองดูแล้วถึงบริโภคใช้สอยถึงกินถึงใช้ถึงไปถึงมายาสักแต่ว่าอืม ชอบไม่ชอบความชอบไม่ชอบมันไม่มีกฎมีเกณฑ์มีหลักมีเกณฑ์แม้มีหลักมีธรรมถ้าตราไดใช่ไม่หอมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์ซึ่งอันเป็นธรรมกฎเกณฑ์อันเป็นความเป็นความชอบธรรมให้พิจารณาดูให้มันดีพอพิจารณาดูให้ดีแล้วเราจะได้เลือกเฟ้นการไปการมาการกระทำของเจ้าของบ้างนั่นข้างนอกข้างในยิ่งกว่านั้นเพราะมันมีผลโดยตรงกับจิตกับใจของเจ้าของ พวกเรานะ่มันพูดสมบูรณ์ขึ้นมาระดับหนีหลัยาไปจีพายล่มจมไปกับแค่สัญญาอารมณ์เพั้นการกระทาซึ่งเป็นผลที่จะเกิดจากเหตุที่จะของกระทาต้องรับผิดชอบเรื่องของเจ้าของอย่าไปคิดว่าโดนกระทา ม, มาจากทิศไหนทางใดเจ้าของเั่งนั้นล่ะทำกว่าเจ้าของ ท, อที่พายว่าคนนั้นทกํกคนนี้เจ้าของ ยังชี้หน้าความเป็นของเจ้าของนั่นแหอะคว้านพิษคว้านไยมาให้เจ้าของด้วยความรู้เท่าไปถึงการด้วยความไม่สํารวมด้วยความไม่เป็นท่าเออถ้ามันจะสํารวมบ้างถ้ามันจะเป็นท่าบ้างถ้ามันจะรู้รับผิดชอบเจ้าของมันต้องเลือกเฟ้นมั่งสิอันนั้นเป็นเพี้อันนี้เป็นคุนอันนั้นเป็นคุนอันนี้เป็นโทษต้องรู้จักเออแยกแยะเอาสิเจ้าของมาขนาดนี้แล้วจะมาแยกแยะไม่ออก อ, อาหารพิษสารพิษหรือว่าอาหารเป็นขุนหรือว่า ความเป็นโทษความเป็นคุณมันมาจากไหนโดดมาจากไหนมาจากไหนดูให้คัดดูให้ดีรวยให้มันเห็นสิร้อยทั้งร้อยนะ่ะมาจากความไม่เป็นท่ามาจากความไม่สำรวจมาจากความไม่ระแวดระวังรับมาเต็มๆก็ได้รับเป็นผลเต็มๆ เ, เรามีสติเราเป็นมีสติส ต, สตางเป็นเครื่องเรื่องกลันล้นละมันจะเข้ามาโดยไม่มีเหตุมีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้ละโลกนี้เป็นโลกของเหตุของผล ธรรมะท่านสอนเรื่องเหตุเรื่องผลตะก้าวของความเป็นจริงก็คือเรื่องของเหตุผลอื hmm. ม่ได้โดดข้ามคลองมาจากไหนนี่เราไม่เห็นเฉยๆถ้าเราเห็นเรารู้เจากของยมีสติมีเจ้าของรักษาเจ้าของคือสติรักษาใจกายนะ่ยไม่ต้องไปพูดถึงริญญาณไม่ต้องไปพูดถึงมันไกลอืกายวิจญาณเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของอาการของจิตของใจถ้าเรารักษาใจเนี่ย กายจะไม่พาดเคลื่อนวาจาจะไม่ผิดพลาดพลาดเคลื่อนไปจากหลักของความเป็นมนุษย์ยชาติพรามเป็นมนุษย์ความเป็นผู้เป็นคนเนี่ยมันมีสัมมาคระมันมีความพอดิบพอดีมันมีความเออผูกต้องดีงามเพราะวาจาออกไปเรื่องกระทําทางกายอื้าจีการมโนกรรมกายกรรมเป็นการกระเพื่อมออกไปจากจิตจากใจเพราะฉะนั้นผลที่มันเกิดขึ้นมาจากความไม่สำรวมความไม่รอบคอบความไม่ตีครอบความไม่รักษาเจ้าของนั้นตัางหาก พอเป็นผลแล้วตีมารว่าพุ่นคุณมัวว่าจะของตูวกระทําคนนั้นทํำคนนี้มันใครทําดูให้ชัดสิถ้าดูชัดๆดูให้ชัดล้วจะของจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาในขณะ น, นี้ในขณะเดียวกันมุมกลับกันมันจะเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เลื้อฉานในร่างของมนุษย์ในร่างของคนเพราะความไม่รักษามนุษยธรรมใครก็เป็นกายของในร่างของคน แต่กิริยาการที่มันภาคกระทํามันไม่ใช่วิชาของคนไม่ใช่วิชาของนกเอเป็นยังไงล่ะวิชาของคนวิชาของมนุกวิชาของสัตว์ดิเรกชันมันต่างกันยังไงเอผู้ไม่รู้ดิเรกชันคือความเป็นไปแบบข้อ ง, ข ว, งขวางนั่นแหละขวางอาับขวางทำขวางโลกคือขวางทำกิริยาการก็ขวางจิตใจมันก็ขวางกายมันก็ขวางเป็นไปร่วมกระทัะ่มกระทั่มก็คือเรื่องศีนเรื่องธรรมปานาทินาการไมมุาสุรานะเห็นไหมเป็นยสิล เราได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่จำความได้เรื่องศีลห้าเมนเจศีลทำไมไม่กลั่นให้เป็นเบญยธรรมเพื่อที่ให้มันไกลาจากความบัตอามหิตโหดเทียมความโหมดเทียมอามะเหตุเอามาเลี้ยงไว้ทำไมก่อกวนเจ้าใจเจ้าของเฉยเฉยแล้ ว, วามาอยู่ใกล้คิดกับมันทำไมห่างออกไปด้วยความเมตตาดูสงสารเมืองต้นกับสงสารสัพพสารต่ อ, นนตอไปต่อมาเอาข้าวเอาเข้ า, ขามันจะเป็นการเมตตาสงสารเจ้าของเพราะเจ้าของได้รับผลนเต็มความเมตตาสัตว์แต่ความจริงเจ้าของเนิ่มเห็น ไ, ไหมล่ะ เมตตาเขาก็คือเมตตาเรานะะั่นแหะไม่ฆ่าเขาก็คือไม่ฆ่าเราไม่ฆ่ามโนสียธรรมไม่ฆ่าความเป็นมนุติจักเขาเชี่ยวของเมื่อความเมตตาอุศงสงารเมตตาความเมตตามันจะกลั่นมาเรื่อยเรืยจนกลายเป็นความนิม่มเอติดจิตติดใจกับพเรามีแต่ความเออเป็นธรรมชาติเดียวกันกับใจของเรามันจะห่างจากความอมหิทหดเทียมการฆ่าแกงมันจะกลายมันจะฆ่าไม่ลงฆ่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันถอยไกลามาแล้วมันเห็น โทษเห็นคุณตามความเป็นจริงนั่นแหละมันถอยออกมาถอยมาด้วยความกลั่นกรองจากเป็นจะศีลกลายมาเป็นเบญจธรรมศีลข้อหนึ่งกลายมาเป็นธรรมข้อหนึ่งการลักขโมยมันเป็นวิชาของดิเรชานเขางศาสตร์ดิเรชานเขาไม่มีศาสตร์ทั้งหลายเขาไม่ได้ร่ำเรียนมาเขาไม่ได้มีออืกรรมทั้งหลายที่พอจะหาสมบัติพอรอยามาบริโภคใช้สอยเขาจะมีอะไรสัตว์ดิรชนันประเกษตรกรรมว่าเขาลากักแอกจูงไถก็คนพาธทำนี่ พาณิยกรรมเขาทารายเป็ น, นร ก, ก, กรรคการพาณิยกรมก ร, ร, ยกรมเกษตรกรรมเอธรรมาค้าขายเป็นไหมสัตว์โดยสารไม่เป็นมีคนนะ่มีมนุษย์ทําทเป็นเพราะฉะนั้นสัตว์โดยสารถึงวัดคว้าได้เป็นกินคว้าได้เป็นเอาเของไม่มีไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเขาผวงไม่ผัวงมีเจ้าของไม่มีเจ้าของไม่รู้หิวเป็นคว้าคว้าเป็นกิ่นคือความไม่รู้คือความเป็นสัตว์โดยสารเขาไม่รู้เพราะฉะนั้น พู้รู้ก็คือคนคนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาธรรงที่ให้อาภัยเขาไม่เอาถ้าเอาสิบอะไรกับเขาเขาจะกินก็ให้เขาบ้างการเสียสลับแบ่งปันการทําบุญให้ทาการให้ทานเขาให้เสียสละแบ่ง ป, ปันให้เขาให้เขาเพราะเขาไม่รู้นั่นเรายังรู้ขนาดนี้เรายังไปเอาวิชาเขามาทำํำพอเอามาวิชาเขามาทำกลายเป็นความลักขโมยอดีนาทานท่านกลับกํากั บ, ก บ, กบว่าเป็นอืเสยียนข้อหนึ่งเราก็เลยพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความน่าจะเป็นก็คือ นอกจากจะไม่ลักไม่ขโมยแล้วมีวมบแต่ความเสียสลับแบ่งปันเห็นไหมล่ะการทําบุญให้ทํามาจากไหนมาจากนี้จากคําวัดดิเรกฐานวิชานั่นแหละถ้พเรามาไกลขนาดนั้นเราจะจะเป็นทกตอนไหนเราจะมีพ่ดไม่ทุกตอนไหนเพราะเรามาไกลจากความวิบัติบหายขนาดนั้นความแน่นหนามันคงความปลอดภัยมาจากความประทําฤติแล้วเราจนกระทั่งเกิดความชั่นิชชันนารเกียใจมันทําให้ชํานาญได้ชํานาญพรอไรเพราะเห็นคุณค่าความเสียสละบแบ่งปันความให้การให้ เกว่าให้ทานนําออกจากจุดที่มีไปสู่จุดที่มันมีความมีกับความไม่มีมันต่างกันทายเทอประจากสิ่งธรรมชาติที่มีเรามีข้าวปลาอาหารกุมารจานทร์มีมะพร้ามีอะไรละ่ระมาดปลาปล่าจะมีอะไรเอปากท้องมอบให้กับธรรมชาตโยมอมาะสวัสิกาเขคือพวกเรา ล, เล่ะเนื่องว่ากลุ่มกล้องของบริษัทพวกเราได้จะได้ให้ชีวิตแก่สํานักชีพราหม์ให้ชีวิตให้ความผาสุกให้ความสมบูรณ์ให้ความเป็นไป อดำรงธาตุขันได้วันหนึ่งคืนหนึ่งอาศัยข้าวปลาอาหารปินนปาทะอืเข้าวตกสู่บาทกิจกรรมอย่างนี้ล่ะนักปราชญ์ท่านคิดขึ้นมาเป็นอริยะวาสอริยะประเพณีพระเพณีของพุทธพระพุทธองค์สร้างสร้างเป็นประเพณีเอาไว้งั้นพวกเราเป็นชาวพุทธถึงว่าดำรงตนรักษาอริยวาสอริยวงอริยะประเพณีประเพ ณ, เณีทำบุญตักบาทตรเห็นไหมล่ะพวกเราไม่ใช่ของ ทำเล่นๆทำกิจกรรมอย่างนี้แ่ะมันจะฉันลงคํำอัาสนธรรมอ่าอยู่มาจะให้หมื่นปีนี่ว่าอะไรก็บค่าพันปีหมื่นปีแสนปีก็อยู่ได้ตราบใดที่ยังมีขบวนการอย่างนี้ออืจะไม่เป็นอื่นพนที่รับก็คือจิตคือใจนั่นแหะจิตใจของใครล่ะจิตใจของผู้กระทำนั่นคืนอะไรการกระทํา ความมากๆในลลกเข า, าเมียใครมีอใครใครก็รักผัวใครใครก็ห่วงทําไมจะไม่รักทําไมจะไม่ห่วงทําไมจะไม่ห่วงล่ะเพราะมันเป็นสมบัติโดยชอบธรรมฝากเป็นฝากตายไว้ขนาดนั้นลงใจถึงว่าร่วมหัวจมท้ายด้วยกันแล้วมันอกใจน่ะมันรับได้ตรงไหนล่ะมันรับไม่ได้อวิชาเปลี่ยนไมชายับ วิชามันมารังความครอบครัวผัวเมียทำไมเพรามมักน้อยยินดีทำอัถภาบทำมาทำไม่ได้ห้ามนี่อืมสันตุธิประมังทนั่งความสนโดษยินดีทำสิ่งที่จะของมีอืก็อย่างนั้นก็แค่นั้นมันอะไรนักหนาล่ะถ้ามันจะไม่ออกวิชาบ้ามาถืออืมวิชาความร่มเย็นของครอบครัวผัวเมียทําไมไม่เอา ให้มาตำหนิว่าคนนั้นเป็นอย่างเท่านี้มันตําหนิตรงไหนตำหนิไม่ความไม่เป็นทาาเจ้าของสิอยา่ยาอยา่าอย่าขึ้นชื่อว่าผิดก็คือผิดะไม่มีที่รับที่แจ้งผิดคือผิดไม่ใช่ว่าเห็นหรือไม่เห็นเห็นไม่เห็นไม่สำคัญสําคัญคือล่วงเกินกันฮะแม่ไหมนั่นลักขโมยน่ะวิชาเป็ดวิชาผีเอามาใช้ในวิชามนุษย์ทําไมืออยาให้มีอยาให้เกิดท่านเห็นมไหมหละ่ะไม่ใช้ฝืนวิชาไฟเอามาทําร้ายทําลายครอ บ, บครัวทําไม พ้ที่เดือดร้อนบนวายตามมาก็คือทายาทโดยทําก็คือหมดที่ดา่าโลกเรานะะั่นล่ะมองหน้าใครติดพ่อแม่เป็นอย่างนั้นเห็นไหมละ่ะอออย่าให้เป็นเป็นไปทําไมเป็นไปทําไมไมันจะตายเฉลิมไม่ใช่เรื่องตายเนี่ยของอย่างนั้นอืขวดข้าวดอกหนาชีวาวาตอสวัสดชัยชีวาจะอาสันท่านยาว่าอยู่ไม่ใช่ของตายมักมา ก, มากในกรรมมาขนในเรื่องของสบับดุลิชาเรื่องของเปรตของผี พเรามนุษย์ทั้งคนอยากให้มีอย่าให้เป็นถ้าอยู่ในกรอบของศีลของธรรมนอกจากนั้นก็ยังมาบําเพ็ญธรร ม, มจริยสธรรมไม่มากมากแล้วยังมัดน้อยสันต์ยังมาละมาวางเป็นการเป็นสมัยอีกละท่า น, นเห็นไหมละ่ะพวกเรามาถือบเบญจธรรมธรรมศีลทาไมธรรมราธรรมด า, รมดาเรามาถือ อ, บอุบบสถกรรมอีกมันรู้ที่ความอยากจะหลุดจากผลความอยากจะดิบจะดีความอยากจะเหือดแห้งความอยากจะปล่อยจะวาง มันต้องมีการต่อ <ivot? S 1> ส Rules, ู้คัดค้านต้านทานอดทนกันบ้างน <the> ่ะ <el> น <Virginia faces> ่ะลองยับยับหมัดซ้ายหมัดขวายับหน้ายับหลังลองยับกันดูยับปากคู่แข <ESE> ่งขันคู life. ่ต่อสู้ก็คือกามาร์เก์นั่นละกามาคุณกามาโทษความโกหกมัดเทมคิดว่าคนอื่นไม่รู้พูดพร่ำไปอย่างนั้นล่ะเจ้าของไม่รู้เลยในขนาดพูด เจตนาพูดออกมาจากความมันไม่กระเทือนใจเจ้าของมั่งหรือพูดโกหกพกลมนั่นแหละถ้าความเป็นมนุษย์มันต้องกระเทือนที่พอกระเทือนแล้วเราไม่เห็นดีเห็นงามเหลือเห็นดีเห็นงามมั่งสิความถูกต้องดีงามก็คือเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องความละเอียดอ่อนของจิตของใจซึ่งเนิ่มหนุนกับกรอบกรอบตีกรอ บ, รอ บ, รอบไว้ให้ปลอดภัยขนาดนั้นมันยังทะลุฟ้องอยู่ มันจะลุพร่องเพราะอะไรเพราะความทะยานอยากความมากๆความทยานอยากความเอาเปรียบอืมว่าได้เปรีย บ, ส เ, ยบนนะเสียเปรียบเจ้าของนั่นแหละพลาดท่าเสียเปรียบคิดว่าเจ้าของได้เปรียบใครแต่ที่จริงเจ้าของเสียเปรียบกระบวนการของธรรมะเห็นไหมล่ะมันน่าเปลียบขนาดนันแหะแต่เจ้าของไม่ทราบไม่รู้เพราะเจ้าของคิดว่าเจ้าของเหนือเหนือตรงไหนล่ะมนโนกรรมอยู่กับเจ้าของทําไมจะไม่ทราบทําไมจะไม่รู้ ความสัตย์ความจริงมันนิ่มขนาดนั้นทำไมไม่คือทำไมไม่เอาทำไมไม่ดาเนินตามช่องนั้นนักปราบบัณฑิตท่านท่านเอาความสัตย์ความจริงความจริงบางทีถึงจะไม่ใช่เรื่องสูงส่งดีงามอะไรแต่พูดความจริงก็ยังมีอัธรถธรรมรสมีรสชาติเป็นสัจจะบา ร, รมีได้มีครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์พระองค์ท่านพูดเรื่องของความเป็นไปของพระองค์ มีครั้งหนึ่งท่านบวชเป็นฤาษีอยู่มาสี่สิบห้าสิบปีแล้วสี่สิบปีเข้าไปแล้วอืบวชเป็นฤาษีสมัยนั้นพระพุทธศาสนาเรานี่แหละเคยพระองค์ท่านตรัสเรื่องของพระองค์ท่านเองความเป็นไปความเป็นมาเคยบวชเป็นฤาษีชาตินึ่งเอออยู่มาสี่สิบปีอยู่ด้วยความฝ่าฝืนอืไม่ได้ยินดียินหลายอะไรแหละแต่ทนเมื้องต้นก็อยากจะดีแหะแต่อยู่มาอยู่มาทนมาตั้งสี่สิบปีคนทั้งหลายคนทั้งโลกคนทั้งดินแดนเข้าใจว่าท่านมีความ เมื่อศรัทธาเลื่อมใสในศาสตร์ของความเป็นศาสตร์พระคือความเป็นนักพรทนักบวชคือเป็นฤาษีแต่ความจริงแล้วท่านอดท่านทนทนอยู่ทุกวันวันหนึ่งไปเยี่ยมสหายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอืมทางกันมาร่วมพุทร่วมชาติร่วมบ้านกันมาแต่เจ้าของออกมาถือพรทเป็นนักพรทนักบวชเป็นฤาษีแต่สหายเขาไปมีครอบครัว วันนั้นไปเยี่ยมสหายสหายวันนั้น่ะสหายก็มีครอบครัวก็มีโอองูเหา่างูพิษก็ไปกัดโรกของสหายซะเจ้าของไปเยี่ยมพอดีพักอยู่ด้วยกันไปเห็นเหตุการณ์นั้นพอดีท่านก็เลยดัมเรื่องนี้ล่ะดัมเรื่อความสัตย์ความจริงสัจธรรมที่งอยู่กับเรื่องของท่านท่านทราบอยู่คนเดียวท่านรู้อยู่คนเดียวคนทั้งโลกไม่ทราบไม่มีใครรู้ท่านตั้งสัตจธรรมฐานขอความสัต์จะอันนี้ประกาศขึ้นมาว่าประกาศทึงความไม่เป็นท่าของเจ้าของนั่นมี มีครั้งหนึ่งท่านประกาศความไม่เป็นท่าซึ่งเป็นสัจจะด้วยสัจญาทีฐานด้วยความสัต์ความจริงที่ข้าพระเจ้าอยู่มาสี่สิบปีนี้ข้าพระเจ้าอยู่มาด้วยความเหมือนกับคนลวงโลกเพราะไม่เคยยินดีในพรหมจั๋งของเจ้าของไม่เคยยินดีในความเป็นฤาษีของเจ้าของอยู่ด้วยความฝ่าฝืนอดทนมาทุกวี่ทุกวันคนทั้งโลกคนทั้งหลายเขาจะสําคัญมั่นหมายว like, ่าเราพอใจเรายินดีในความเป็นนักบวชนักเป็นฤาษีก็ตามแต่เราไม่ได้ยินดีเราอดเราทนอยู่ด้วยความอดความทนทุกวนัน ด้วยความสัตย์ความจริงนี้ขอแรงสัตยาธิษฐานนี้จงให้พิษในร่างของลูกชายของสหายนี้หายจงหายไปเถิดั่านท่านรูปรูปความคลาดของร่างทารกคนนั้นร่างของทารกคนนั้นพิษกําลังรุมเร้าอยู่นั้นหายไปด้วยสัตยาธิษฐานของพระองค์ท่านเห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นความสัตย์ความจริงอไม่จะเป็นก็อย่าพูดนะรบกวนทิ้งข้าป่าไปเลยธุรกิจหมื่นล้านเลยนั่นนะออืรบกวนไม่เป็นท่า ให้เขาบอกอยู่แล้วไม่ได้แล้วเราไม่ได้น่ะทนเอาเพื่อหมู่คณะเนี่ยมันออกมาแล้วเห็นไหยไปไหนถึงไหนล <c oughs> แล้วนีเขาเรียกว่าความสัตย์ความจริงสัจจายาทิฐานแม้แต่กล่าวเรื่องไม่เป็นท่าก็ยังมีน้ำหนักมีคุณค่าเพราะอะไรเพราะมันถึงใจมันกระเทือนถึงใจถึงใจกระเทือนถึงพระทยของพระบรมโพษษธิสัพพ์เจ้าท่านท่านพูดความจริง ถึงจะไม่จะเป็นเรื่องเลิะเลอะหน้าอาศัศจรรย์ใจตรงไหนแต่เป็นความจรงิงของจรงิงของจริงนั้นมันกัดเกินถึงจิตถึงใจมันน่าอายก็น่าอายแต่พูดความจรงิงมันยังมีคุณค่ามีน้ําหนักเพราะอะไรเ พ, พ, ร, พธธ ร, ราะพระบรมโริสัตตรัสขึ้นมาพดขึ้นมามีน้ําหนักนเรียกว่าความสัตย์ความจริงความสัตย์จริงนัน้มีคุณค่าความโกหกพ่อกลมตอแหลเหลวไหลมันมีประโยชน์ตรงไหน ไร้ค we right, right? ่าไร้ประโยชน์แต่พวกเราก็ยังเอามาถือมาเป็นสาระมาเป็นเครื่องติดอยุดปลายลิ้นนี่หยุดริ้นที่ปากนี่พูดง่ายแท้ไถ่ปากไอยผลได้รับก็คือมโนกรรมมโนกรรมคือจิตในใจเป็นผู้รับเพราะเป็นเรื่องของมาร์จานะล่ะแต่มันออกไปจากจิตใจเจตนานี่ยพูดด้วยเจตนาไม่ใช่ละเมอเพลอะพกนี่อืถ้าพูดด้วยเจตนาเป็นกรรมถึงกระบวนการของความรอบตัวคือความเป็นกรรมกรรมนั้นก็แล้วแต่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนขนาดไหน ถ้าอาคนอื่เอนเดือนร้อนชิบหายไหว้ปวงไปเพราะคำพูดของเจ้าของนั่น่าจจะเป็นคำหนัก ม, มันไมนอยู่ที่กิริยาการที่ออกมาอีกละมันมันหลายหลายละระ ด, ดับเรื่องว่าจาจากนั้นก็มีของแถมเข้ามาอีกสีนห้ามีสุราสุรายาเบื่อย า, าเมายาพิษหนาย้อมจิตย้อมใจธรามชาติธรรมดามันมีอะไรก็ห อ, อเอามาล้างแผลก็ยังได้ แต่มาย้อมจิตย้อมใจของมนุษย์ของคนนี่สิมันทําให้ประมาทภาพทัพ้งเผลิอเมาไปจากความเป็นปกติปกติมันก็นล้มลุกคลุกคลานอยู่แล้วเอามาย้อมมาฉาบมาทำมันอีกมันยังเสเลาะไหลไปกันใหญ่ท่านนั่นก็เป็นเป็นข้อห้ามเป็นข้อห้ามนั่นเห็นไหมล่ละความมีสตินั้นต่างหากมินสัตว์จะทําเป็นธรรมะธรรมรสรสชาติของธรรมะจริงๆคือความมีสติความเผลอสติมันเผลอเพราะอะไรมันคลาดเคลื่อนจากหลักความน่าจะเป็นเพราะอะไรเพราะมันเขย่าก่อกวนด้วยน้ําเมาท่าน อะไรวะเห็นไหมล่ะเห็นเห็นทอดน้ําบ้า้น้ํานั้นไหมล่ะอะไรว่าเบนจะศีลเบนจะทำใครจะไปทราบใ้รจะไปรู้เรื่องเหล่านี้เราได้ยินได้ฟังมาประจําหูเราเราคิดว่าเป็นของทือนเตือนเป็นของง่ายเป็นของธรรมดามันไม่ธรรมดาเพราะกว่าจะได้ยินได้ฟังมันอาศัยออกมาจากมหาปรุษสัตว์ปรุษดํารงมาดำรงมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังเพวาะเรายังเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยตรงไหนมันไม่ใช่ของเล็กน้อย เป็นของที่เป็นมิลคุณค่ามหาศาลมากเพราะน้าหน้าอย่างเราไม่มีทางรู้ไม่มีทางทราบไม่มีทางเจอมันเจอมันทราบมันรู้ได้ยินในฟังพ่อไร่มันจําได้เดี๋ยวนี้พ่อไรเพราะเราตะเกียกตะกายอุตส่าห์พยายามแบเอ่อมือออกไปรับเปิดจิตตัวใจออกไปรับรับศาสนาวัดมาทอกไว้ถือไว้ให้ถือไว้เป็นเครื่องกั้นกลางอย่าให้มันมิ่นเมตต่อการติดพาดพลาดาเพื่อนไปจากหลักน่าจะเป็นนั่นเลยว่าความอุดมสมบูรณ์ เราต้องมีความอุดมสมบูรณ์เราต้องมีสารณะเราต้องมีที่พึ่งเราต้องเห็นโทษเห็นคุณตามความเป็นจริงมันถึงจะแน่นหนามันคงมันไม่แน่นถ้าให้มาแน่นมันไม่มั่นคงทําให้มันคงมันไม่เห็นโทษถ้าให้มันเห็นโทษเพราะอะไรเพราะโทษก็เป็นโทษตามความเป็นจริงคุณก็เป็นคุณตามความเป็นจริงแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นกงจากเห็นเป็นดอกบัวเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นงูเป็นงูเห็นปลาเป็นปลามันจะสลัดตัดวางปล่อยวางได้อย่างเต็มที่เต็มทางของมันแต่เวลานี้เราเป็นปุถุชนคนหยาบมันก็เห็นไปตาม เป็นครั้งเป็นคราวพราะท่านต่ทั้งว่าตั้งให้ขึ้นตั้งให้ตั้งขึ้นไม่งั้นมันจะล้มละลายมันจะผิดพลาดพลาดเพื่อนไปอยากไปจากหลักของความเป็นมนุษย์จะทำความน่าจะเป็นนั่นเลยว่าเรากลับมาสู่ฐานของความเป็นนักปฏิบัติเออเวลานี้มาเป็นผู้ปฏิบัติเออเป็นแนวหน้าแล้วอยู่ต่อหน้าแล้วเวลานี้จะปรยญญิพานไปกี่เดือนกี่ปีก็ตามไม่สําคัญสําคัญคือโอวาทคือคําสอนตกโยกับเรา เป็นธรรมะอยู่กับเราพระองค์ท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องกรรมการได้ผลกรรมมาจากไหนกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมเวลาเนี้เรามีสมบูรณ์หมดเราจะตกแต่งเอาสมบัติหรือนิบัติเราจะตแต่งเอาแบบไหนเราตกแต่งเอาได้เพราะอยู่ในมืออยู่ในเงื้อมือของเราเองเราเป็นเราโดยสมบูรณ์แต่มันอ่อนแอเพราะไรเพราะมีเครื่องต่อสู้ผ่านสานมันมีเครื่องต่อสู้ มันมีกําลังมันมีเจ้าของเจ้าของเจ้าของเดิมคือใครใจของเราเนี่ยล่ะมันถูกยึดครองถือครองด้วยอํานาจอเอามาเหยียดโหดที่สุดก็คือภาษาธรรมทวารกิเลสมวารกิเลสมันอาใส่เรานี่ยล่ะเป็นเครื่องอ้างมันหลอกเราว่าให้เราเอาอย่างนั้นนะเอาอย่างนี้นะว่าอันนั้นได้อันนี้ได้ได้มากได้น้อยความได้มันได้ตรงไหนละ่ะอืม มันได้มันในที่ไหนเก็บถ้ามัว่าได้สู้นี่ดู้นี่นะเราเป็นผู้ปฏิบัตินักปฏิบัติต้องรู้ต้องรู้ต้องเห็นบ้างนี่ถ้ามีก็มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่ว่าเสียหลักมีแต่ความปรุงแต่งมีแต่เรื่องสัญญาอารมณ์มีแต่เรื่องกว้านเอาของที่เป็นขาดเป็นเดน กวานเข้ามาแบกไว้ถือไว้อืมแบกหามจะถืออยู่นี่ละ่ะนีวอารมณ์กวานเข้ามากวานเข้ามายั้งก็จะว่าจะเป็นผู้บริหารโลกทั้งโลกนั่นแหละเราพวกเราเปน็นอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะต้องเอาสติปัญญาเข้าไปตรวจสอบตัวตาดูบริหารเฉพาะเราเขาจะล้มลุกคลุกคลานอยู่แล้วอันนไปเอาคว้านโลกทั้งโลกอืมคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้แต่งซะหมดนั่นแหออ มนานในโลกทั้งโลกอยู่ในกรอบอยู่ในโอวาทอยู่ในกรอบของเจ้าของอยากจะให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นใครว่าใ้เป็นพอไม่ได้เป็นดั่งใจของกับรู้เออร้อนขุ่นมัวหาว่าเขาเขาไม่เคารพหาว่าเขาไม่ให้คหาว่าเขาไม่เป็นไล้ไอ้เรามันอะไรล่ะออน้ำหน้าอย่างเรามีอะไรน่ะเห็นไหมล่ะต้องดูดูความจริงเอาความจริงมากกันอืมเราอยู่ในฐานะฐานะอะไรฐานะเป็นพ่อกทำหน้าที่พ่อฐานะเป็นแม่ทําหน้าที่แม่ฐานะเป็นบุตรเป็นที่ากระทันหน้าที่ตรงนั้นตรงนั้นให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่เราทําทําหน้าที่ของเจ้าของในขนาดนั้น เพราะสมมติเรามาได้แล้วเราได้มาแล้วก็คือสมมติเครื่องไม้เครื่องมือของเรา เ, ราเวลานี้มันเป็นสมมติเป็นเครื่องอาศัยเพื่อจะสร้างความดีในขนาดเดียวกันมันเอาเครื่องมืออย่างนี้แหละมาสร้างความไม่ดีโดยที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจความโง่มันไม่ว่าตั้งจะไม่ตั้งหรอแต่มันเป็นไปตามสิ่งที่มันกระทำเพราะความโง่เอนักปราชญ์ท่านพาดเอาความเฉลียวฉลาดมาบริหารกายบริหารบาจจิตใจของเรานี่ยละ ม, มีความฉลาดเฉลียวฉลาดมันจะฉลาดได้เพราะอะไร อาศัยอํานาจของธรรมะธรรมะก็คือคําสอนโอวาทธรมธรมะธรรมะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าปรินิพานผ่านไป 2,500-600 ปีมาแล้วอะไรล่ะตกมาทุกวนันนี้อาศัยอํานาจสิ่งเหล่านั้นธรรมะสิ่งเหล่านั้นจะลงถึงพวกเราเพราะอะไรเพราะมีพระเจ้าพระสงฆ์คุมาจันทร์นำลงอยู่นีกว่าโอวาทนีกว่าพระเจ้าพระสงฆ์เอามาจำแนกแจกแจง ถึงมีขบวนการกำลังศาสนามันจะเกิดพูดให้ปากฉีกถึงโอันก็ไม่เกิดถ้าไม่เกิ ด, ถ, กดถ้าไม่เปิดใจให้เกิดเป็นรับศาสนธรรมรับโอวาทก็คือศรัทธาพระความเชื่อยอมรับว่าจะของโง่บางสิทสิมานะจงของว่าจะของเก่งรู้รอบหมดงั้ยมันพูดทําสมัยรู้หมดแล้วก็รู้อยู่มันไม่ ถึงใจหน่อยสิมันในแค่จํารูปรูปความคลังความความรู้แบบรวบคลําให้มันถึงใจมันจะวางได้สนิทใจถ้ามันถึงใจถ้ามันไม่ถึงใจก็เป็นแค่สัญญาอารมณ์แค่ความจํากลั่นจากความจำเป็นความจริงทีมันจะเห็นพิเห็นภพยตามความเป็นจริงมันจะวางได้ถ้ามันยังวางไม่ได้ก็ต้องเพิ่มศรัทธาเข้าไปจากปสสาธศรัทธาศรัทธาโยกเยกครอนแฟนเอาเป็นให้มันเป็นอรจรสธาแม่นปึงเข้าไปในจิตใจจะไม่ครอนแคลนมั่นคงมากเพราะเชื่อมั่นว่า เกิดมาตายเชื่อมั่นว่ากรรมและผลของการจะให้ผลตามความเป็นจริงเชื่อมั่นว่าเจ้าของไม่ได้เป็นไปตามความอยากหรือไม่อยากไม่มีใครหน้าไหนจะมาเริมมิดความเป็นไปของเราความเป็นอยู่ของเราความเป็นไปของเราเป็นไปตามเหตุตามบาจใจเงธรมาเหตุตุปปะวะแต่สั่งเหตุงตะ่ากระโตนั่นมั่นใจในโอวาทในคำสอนอย่างนั้นจริงเพราะเห็นคัดว่าเป็นไปตามเหตุตามบาจใจอย่างนั้นจริง มันจะฉลาดหรือไม่ฉลาดมันจะโง้อหรือไม่โง้มันอยู่ที่เราทําเองเราทําเองทําตามสิ่งที่ยินในฝังพระพุทเจ้ามาอุบัติขึ้นตอนนี้มาเดี๋ยวนี้เป็นละลานพระองค์ก็ได้แค่มาแนะนําพร่มสอนพวกเราไม่ได้มาหยิบยกพวกเราให้พ้นจากหลมลึกนี่มันจะติดหลมอยู่กี่ปีกี่เดือนมันก็ติดอยู่นั้นแ่ละติดด้วยความความสำคัญผิดนี่อืมพระองค์ท่านไม่ได้มาหยิบยกใครขึ้นไปถ้าพระองค์ท่านสามารถหยิบยกขึ้นไปได้พวกเราไม่ได้ติดหลมอยู่อย่างนี้หรอก มันติดลมลึกอยู่เวลานี้เพราะอะไรเพราะมันไม่เชื่อตามความปรวัติคาอสอนของพระองค์นะสิพระองค์ท่านว่าเราสถาคุกระเด็นแนะแนําพระมสอนจเจ้าอะไรกับเราอีกเอาอะไรยิ่งกว่านี้ไม่เป็นเพราะเราสถาคตทำได้แค่นี้นี่พระองค์เจ้าตรัสขนาดนั้นพวกเรายังจะมางงงายงอแงว่าจะครูาอาจารย์ไม่ทอดทอดทุระพระครูาอาจารย์ไม่เมตตาเฮ้อทําไมทั้งอย่างนั้นทําไมต้องอย่างนี้ทําไมต้องไม่ให้เรา อืไม่มีใครหน้าไหนที่จะทําทแทนกันได้อตตาหิอตตาโนนาโถตอนและตนของเจ้าของนะะั่นแหะจะเป็นผู้ดูแลเจ้าของเจ้าของจะชิ้ภายร่มจำใจชองขึ้นมาจากหลม่มหรือไม่ขึ้นมาจากหลม่มมันอยู่ที่เจ้าของรู้เออเหนือนรู้ใต้รู้พิษรู้ภัภยรู้ความจริงตามความเป็นจริงอันนี้ไม่แต่ประเภทแบมือขอรอหวังผลให้พระเสียริยาเมตัยมาโปรดมาท่านก็มาตทำบารักของพระองค์ท่านนะะั่นแหะแต่มากับพวกเรามัจะหลุดลอกไปอยู่ดีเพราะพวกเราหลุดมากหลายครั้งละ ตรวมาด้วยความความสลัดปัดมือของเราเองเราเองนะฮะอ่อนแอเออทอแท้อ่อนแอเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราอ่อนแอเป็นเรื่องของเราไม่จริงจังเป็นเรื่องของเราสลัดปัดมือพระองค์ท่านอืมพระองค์ท่านยืดมาจ่อนมาควานมาเท่าที่จะพระองค์ความเมตตามหากรุณาอดูสสารายิ่งกว่าพระเจ้ามีเหร่อเออใครจะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คเป็นอย่างเดียวกันก็คือเออมหา เมตตากรุณามหาการุณิโกนทาโทอัฏฐาญาหิตายะสุขายะสปปานีนังนั่นพวกเราว่ากับว่ากระเทือนถึงใจไหมถ้ามันกระเทือนถึงใจก็ว่าคำเก่าว่าคําเดียวเป็นอยู่อย่างเดียวกันนั่นล่ะพระเจ้าทศกัณฐ์เป็นอย่างนั้นไม่มีพระองค์ไหนจะมีความจืด จ, จางต่อสรรพสรรมีสร้างสั่งสมบุญญาบรมีกี่อสงไขยกี่กับกี่กันก็ตามสร้างเพื่ออะไรเพื่อจะหรือ พบขนชาติขนสัตว์คือผู้เกี่ยวข้องผู้ข้องอยู่ในวัตถุสงสารเนี่ยออกให้มันพ้นผนให้มันห ม, หมดหมดเพราะความเมตตาอินุสงสารของพระองค์ท่านยอมลำบากลําบ่นยอมสั่งสมบุญญาประมียอมอดเปรี้ยวกินหวานยอมไม่กินยอมอดยอมทนยอมทุกอย่างเพื่อมหาสัตว์เพื่อสรรพสัตว์เพื่อเรานั่นแหละเอายกเรากันไปเพื่อพระองค์ท่านเมตตาขนาดนั้นแต่พวกเราถึงจังหวะนั้นพวกเรากดปิดกั้นใจเจ้าของไม่เอาเพราะความอ่อนแอของเจ้าของ ความอ่อนแอความไม่พะธาความเห็นแก่ตัวพระองค์เศร้าสอนเรื่องไหนสอนร่วงความเมตตาสอนเรื่องการทำบุญให้ทานมันมีแต่ความอำมาเห็นไม่ได้ความเออที่ตนีทีเนี้ยมันมีแต่ความมักปากมีแต่ความมักมากมีแต่จะเอาท่านสอนเรื่องทานเราก็เอาท่านสอนเรื่องจาระคสอนเสียสลับแบ่งปันปันให้คนอื่นบ้างคนอื่นได้เราภูมิใจคนอื่นอิ่มเราอิ่มใจคนอื่นอิ่มปากอิ่มท้องเราอิ่มจิตอิ่มใจแต่มันไม่เอาเพราะอะไรเพราะเราเห็นแก่ปากแก่ท้องเราเห็นไหมล่ะเออ เราจะเอากายหรือเอาใจถ้าเราเอากาก็ได้อย่างนั้นละ่ะได้วัตาสงสารถ้าเราเอาจิตละใจเราจะได้มรรคได้ผลผลนั้นเป็นเลิศมาจากการเสียสละแบ่งปันการทายออกการนําออกการเสียสละออกออกไปจากสิ่งที่มันติดเหนียวแน่นแก่นวตาก็คือความมักคมากความร่ำโรยมากความคิดสนที่เหนียวเหนัยนแน่นเกศวตายิ่งกว่าวสิ่งเหล่านี้มันจะมีอะไรเ อ, อสิ่งเหล่านี้ละ่ะมันจะมาขยับก่อกวนให้ภพชาติมันเพิ่มขึ้นมันมีมากต่อมากอยู่แล้วมันยังเพิ่มขึ้น มากมายมหาสาลเจ้าของย่อยเยิมาตัดรอนแต่ไม่สั้นมันจะสั้นตรงไหน่มิแต่ต่อมันยืดออกไปมันยืดออกไปมันถ้ามันงอกได้ถ้ามันแตกกิ่งก้านสาขาได้เป็นให้มันเห็นมันจะออกรอบทิศเกิดรอบตัวก็คือจิตใจมันเกิดทุกขณะมันเกิดทุกขะณเอนอมีแต่ความปรารถนาความอยู่ดีมีสุขมันจะสุขว่าะอไรความสุขจริงๆมันอยู่ที่ความเออสงบระงับนัตติสันติปรังสุขขังความสุขที่สุดของความสุขก็คือความสงบระงับจ่าปาปะธรรมอันนี้มันสั่งสมเนี่ย มันงอกเลยมันพากพอกพอกพูนมีแต่ความพอกพูนมีแความงอกเงยแต่กิ่งก้านสาขามีแต่เรื่องเกิดมีแต่เรื่องเกิดผลของความเกิดนําอะไรมาให้หละ่ะอืมไม่เป็นอื่นน่ะความทุกข์มันมาจากความเกิดนี่นะ่ะดกขั้งนัตถิยชาสัสสตอืมผู้เกิดในผลความเกิดมั่นปลายมันก็คือทุกข์แต่เราเจอนักหน้าหดักหลังมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์ อออธอมนัตปายาสะมาแต่โอดโออย่างนั้นละ่ะแต่ความจริงมันศารตั้งต้นของมันคืออะไรนะ่ะความทะยานอยากนั้นต่างหากคือความเกิดเออพวกเราทําอยู่เวลาเนี้ยนักปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้ละ่ะอย่าไปคิดว่าใกลว่าไกลอย่าไปคิดว่าเรื่องของพระเรื่องของ ือมีปัสนาจารย์แค่นั้นจะมาคิดเรื่องเหล่านี้เราโดนหลอกนี่เราทุกข์อยู่ก็ยอมรับว่าเจ้าของทกเราเป็นคนป่วยโภคาภาพอาพาธขนาดนี้ทําไมไม่ยอมรับว่าเจ้าของเป็นคนป่วยทุกข์ภาพแก้ไขสิแก้ไขด้วยความรู้หน้ารู้ตามันชี้เออเปิดขึ้นมาสิมันลีลาปิดบังตรงไห น, น่นอะ ม, มันมีอะไรมามาปิดบงังมีแต่ความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวมีแต่ความ คิดว่าจะของสัญญาอารมณ์คาดหมายว่าจะของเป็นครว่าต์พระวาต์วิสัยอยู่ตามภาษาเจ้าของเนี่ยแหละใครมาว่าตั้งกดตั้งเกณฑ์ว่าต้องอยู่อย่างนั้นต้องอย่างนี้พระเจ้าสียอีกนักปราคือพระเจ้าเป็นประธานประธานเป็นพระโอวาทไว้เพื่อสําหรับมนุษย์สําหรับคนอย่างพวกเราเนี่ยแหละพระเจ้าประธานเป็นโอวาทเป็นยิ่งแล้วยิ่งแล้วก็คือความเป็นมนุษย์ จะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกให้มันยิ่งกว่านี้อ ม, มนุษย์ซาปติลาโพออความเป็นเลิศที่สุดของพพชาติพพภูมิที่ถิ่นกําเนิดของสัสดาห์ก็คือความเป็นเลิศที่สุดแล้วเราได้แล้วเวลานี้ก็คือความเป็นมนุษย์จะเป็นชายก็ตาดเป็นหญิงก็ตาดก็เป็นฐานตั้งต้นของความเออเหตุเบื้องต้นมันจะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องทาให้รักให้ชังก็ตัดต้นนั้นสิตัดพบตัดชาด ต, ตัดกิริยาการที่มันจะออกรักออกช่างนั้นสิ เออมันจะรักมันจะชังเจ้าของมีสติไหมถ้าเจ้าของมีสติต้องรู้สิอืมมันจะกระเพื่มขึ้นมาออกมาจากไหนมันจะขโมอยออกไปช่องไหนถ้าเจ้าของอยู่กับเจ้าของถ้าเจ้าของเฝ้าบ้านอันนี้ขโมยเข้ามากว้านตับไตไส้พุงไปกินหมดแล้วไม่รู้เหนือ ร, ร, รู้ท่ายพอกลับมาแล้วกลวงไส้กลวงจิตมันกลวงโบว์ไปหมดแล้วเวลานี้ไม่มีอัดมีทําตกถึงจิต ถ, ถึงใจเพราะอะไรเพราะเราปล่อยจิตปล่อยใจไม่มีสติรักษาออื ย็ด <Yes. S 2> ก็คือจิตความรู้แต่มันต้องอาศัยขนะต้องอาศัยความเข้มข้นเรณูวัตสติสติมันจำเป็นจำเป็นในจิตทั้งหลายถ้าศัตรูมันจะมาช่องไหนมาช่องที่เครื่องไม้เครื่องมือที่มันสร้างไว้นั่นหละพมโยนยางออกใกล้ๆกว้างแคบมัน อ, อยู่ที่ ศาสตร์ของธรรมชาตินั้นนั้นยังแมงมุมมันสร้างข่ายดักดักหาเหยื่อของมันเหยื่อมาเข้าข่ายมันมันก็ได้เหยื่ออันนี้มอนกันล่ะมไม่ใช่ว่าเราเป็นมนุษย์เป็นพพพุมมที่ประเสรศิฐพระพระเจ้าว่าประเสรศิฐก็ประเสรศิฐนั่นละตามความเป็นจริงเพราะเป็นสารตั้งต้นที่จะปลิดเอามรักเอาผลได้ แต่ตราบใดที่มันไม่มีสติสตังไม่ดํารงตนคด้วยด้วยความเป็นมษยธรรมเพื่อเพื่อมรรค่ลผลมันก็กว้างเอากิเลสตัณหาสวัโดยสมบูรณ์นั่นแหะเพราะเป็นเครื่องมือของกิเลสขันท่าของมนุษย์นี่กมนุษย์ทั้งร่างนี่แหะเป็นเครื่องหมายเคืองมือเป็นผลมาจากตัณหาสวัสมันสร้างขึ้นมานั่นเห็นไหมล่ะอืมแต่ท่านมาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเอ๋อวิกฤตซึ่งมันสร้างฝากหนามไว้นี่แหะเรามาเอาถวยโอกาสตอนที่มันออกหาเหยื่อตอนนี้มันจะล่าเหยื่อตอนที่มันเปลือยเอาความจริงเอาเอาตอนมันเปลือยสิ กิเลสไม่มีเธอผีเปลอเนี่ยเพราะธรรมมันจับจ้องอยู่ธรรมคือความรู้รู้รอบขอบคิดในอาการของกิริยาที่มันกระเพิ่มขึ้นมามันจะมาช่องไหนยศไปช่องไหนมันไม่พ้นทั้งอากับกิริยาที่เป็นอินทรีย์อานะที่มันมีประจําขันห้านี่ล่ะประจําโลกมนุษย์ประจําคนนี่ล่ะมันมีอะไรบ้างล่ะตาหูจมูกลิ้นกายมันอาศัยเครื่องเหล่านี้ล่ะช่องทางที่มันจะได้เหยื่อมันนั้นอาศัยช่องทางนี้เราก็ตะปบมันไว้สิเฝ้าอือ เฝ้าอยู่ช่องทางนี้สิอยากให้มันกระเริบมาเป็นเพื่อรักเพื่อชังเพื่อได้เพื่อเสียเบื้องเด้งนะเห็นกี่เนื้อกี่ตัวซึ่งมันมีมากอยู่แล้วให้มันระงับดับศูนไปสิเอาความรู้เข้ามาจับจับตรงนั้นก็ได้ได้เห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นฮได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินมันไม่ได้เพิ่มในรถนี่นะเราได้เห็นเราก็ไม่ได้เกิดเพิ่มเราได้ยินก็ไม่ได้เพิ่มแต่จะปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะมันมีอยู่คือได้เห็นได้ยินแต่ความจริงก็คือต่างกันเถอะความเป็นจริงของสัตว์ทั้ ย่ามาเพื่อรักเพื่อชังเพราะมันรักมันชังแล้วมันได้อะไรเอได้อะไรมาครอบคุณได้ท่วมภูเขาภูสมบัติท่วมภูเขากดทับเราท่วมภูเขาเท่าภูเขาหนักเท่าภูเขาเออจิตใจมันได้อะไรจิตใจเป็นนามธรรมสมบัติเป็นรูปธรรมมันเข้ากันได้ตรงไหนอืมันจะกลายมาเป็นสมบัติได้เพราะอะไรรูปธรรมมาแปลเป็นนามธรรมก็คือนํามาจะแจกจากทานนามาเสียสละบแบ่งปันนํามาทำบุญในทานตามความชอบธรรมของเขาสมบัติเจ้าของนั่นสมบัติมันจะเป็นสมบัติ ตรงนั้นตอนนั้นอะตอนที่อารามจับจ่ายใช้สอยให้เป็นสมบัติอนั้นมันจะแน่เกียรานนำมาสงฆ์เขาสองหาเจื่อนจานซึ่งตามความชอบธรรมคือสมบัติของเราโดยความชอบธรรมทางกฎหมายก็ตามทางนิติธรรมทางกรรมทั้งหลายทําทั้งหลายมันเป็นความชอบธรรมของเรานั่นแหละเป็นของเราโดยสมบูรณ์แล้วก็เํานำออกบ้างไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความสนตีที่เหนียวโรบมากโรคโมโทัน์เฮ้ยมันไม่มีรู้จักพอมันไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักพอเมืองพอมันจะไม่มี อ, อมากไมก้ไก่กองทลายมันจะพอมันไม่พอได้ห้าเอาสิบได้สิบเอาร้อยได้ร้อยเอาร้อยมันจะเพิ่มเติมขึ้นมาทุกขณะจิตใจของเราไม่มีมือผอมมังพอมันนั่นจะไม่อยู่ในมันจะไม่มีข้ อ, อยุติเท่านั้นพอเท่านี้พอจะไม่มีข้ อ, อยุติเพราะเรามีแต่เติมมีแต่เพิ่มเชื้อไฟของความละม่อมลบมากเพราะนั้นนำความเร่าร้อนมาสู่จิตสใจเราเจ้าของไม่เห็นเจ้าของมัวเพลินว่าจะของหาสมบัติได้สมบัติไม่รู้จักใช้สมบัตินั้นกับวิบัติผายอย่างนั้นละความ ืทับผมเจ้าของมันจะชิบหายจะชิบหายนําความเร่าร้อนนําความขุ่นมัวนําเอาสมบัติมาทับหัวจิตหัวใจซึ่งมันคนละเรื่องกันแต่มันจิตทับได้เพราะอะไรเพราะความอุปทานยึดความโง้ความยึดความถือความแบกความหามมันแบกหามด้วยความอุปทานทกมาแล้วนั่นเห็นไหมล่ะทกมาเพราะอะไรเพราะอุปทานอุปทานมันยึดมั่นถือมั่นในขันในขอนห้าในกองรูประการนี่ล่ะว่าจะของเป็นนั้นเป็นนี้พอรูประการนี่จะเป็นอย่างนั้นแจะเป็นอย่งตามความสัต์ความยึงของมันชราพระยาธิมรณะโสกับพระเทวะมันจับสายทางของความ เมันจะเป็นของสัตว์สังขารเขาเป็นช่องนั้นแต่เราไม่อยากให้เป็นมัไม่ปรารถนาเป้เป็นพอมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเขาลราก็ทกทรมานกุปรายยาสามมันมาจากจุดนั้นหลักทำใมาจิต้งเราเหี่ยวแห้งตรอมใจ มาคนเหนื่อยแล้วล่ะกับพลีกับเวลานะพวกเรามันต้องผ่านเหตุการณ์ไปด้วยกันหัวใจเหตุการณ์อย่างเมื่อวานนีกระทบประเทือนมากย้อนถึงครั้งพุทธกาลพระนรนท่านก็เป็นผู้มีกิเลสตัณหาสะวะไม่มีที่อยู่ พระนรนไม่มีที่อยู่คิดดูสิพุทธเท่าระดับเดียวกันเกิดพร้อมกันเป็นสาชาติพระนนรนเป็นสาชาติเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าแทนมาเป็นอุปถาบอืมเนรนาไมไหมล่ะคนพุทธเฒ่าด้วยกันอุปถาบอุปถัมภ์กันอืมไม่มีเวลาเวลาที่จะมาเพี้ยนาใคร่ควรเรื่องอัดเรื่องทำเพราะมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะอุปถาบเป็นอุปถาบท่านยอมหมด พิคิงท่านเป็นสาชาติพระเจ้าหนึ่งชันนาหนึ่งมรรคนาคหนึ่งขุนทองหนึ่งพรอ น, นหนึ่งเป็นสาชาติเกิดพร้อมกันบุญญาวัสนาเกิดพร้อมกันแต่จังหวะหนึ่งไม่มีอุปถากอุปธรรมมีช่วงสุดท้ายก่องค์สุดท้ายก่อมีพระอะไรหนึ่งจําชื่อท่านไม่ได้สะพายบาทเป็นเป็นอุปถากพระเจ้าสะพายสะพายบาดพุพทธเจ้าไปพอไปถึงจังหวะหนึ่ง เราจะไปทางซ้ายเพระพระพเจ้าจะไปทางขวาเออพระองค์จะไปทางขวาแล้วข้าพุทธเจะไปทางซ้ายออวางบาดตรงนั้นละ่ะปะทาอย่างนั้นก็ทําได้มันมันอะไรนักหนาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนั่นละ่ะถึงกระเทือนการวงการคณะสงฆ์กระเทือนตอนนั้นละ่ะอืพสัมห า, าศาสดาซึ่งีผู้มีมอุปการะคุณมีคุณขนาด น, นั้นน่ะปล่อยให้พระองค์ท่านลาบากได้อย่างนั้นได้ไงไงพวกเราทําไมไม่รับพาระระับพาระเป็นอุปถัมภ์บทบาพวกมั่งซี่พระส า, สารีบุตรละอมย่อมจะเป็นอุปถา พอพระสารีบ Smooth ุตรเสนอตัวคนนั้นก็เสนอตัวคนนั้นก็เสนอตัวไม่ได้พระคุณเจ้าเป็นพระเถระรัตังยูผู้มีกรกฏผู้มีคุณมากขนาดนี้อย่าเลยให้พวกกล้ากับผมทําเถอะจากนั้นพระนรินท <plus> ์ก็เสนอตัวขึ้นมาในความชอบทางคือพระานนท์พอวาระสุดท้ายที่เมืองกุชินาราวันนั้นน่ะวันเดือนหกเพนวันนั้น่ะเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดพระานนท์รับไม่ไหวเหมือนกันเหตุการณ์น่าสลดใจเหมือนพวกรองเมื่อวานนี่ เอาน้ำตามารวมกันมันดีได้กี่ตุ่มไม่รู้ล่ะเมื่อวานมันทะลักออกมาด้วยความไม่รู้ล่ะที่มันเป็นถ้ามันไม่เปลี่ยนพวกเราตายไปแล้วอืมไม่น่าอยู่สักหน่อยโลกนี้มันมันอะไรบอกไม่ถูกเห็นไหนล่ะมันตันใจมันโภมนนับอุปยาศะมันเหี่ยวแห้งตรอมใจคิดไปทางไหนเหมือนกับโลกจะดับเหมือนกับมันจะเหมือนมันจะสิ้นไรไม่ตออเหมือนนั่นเหรอที่พึ่งที่พึ่งพระพราวป่า ไว้กับพระองค์ท่านจริงๆพระองค์ท่านมอบไม่ดับไปเหมือนว่าเราจะดับไปตามเราเจอสมัยที่อยู่รรพระหลวงปู่แหวนพระหลวงปู่แหวนตายเราก็เกือบตายเป็นมาแล้วไปได้สติอยู่ในห้องพอมีความพอดจอยู่ได้ยอยู่ในห้องท่านมันความรู้สึกคือเหมือนหลวงปู่อยู่ทุกอย่างอยู่ในห้องให้อยู่อย่างเก่าเราเอาอารมณ์นั้นละ่ะจากนั้นะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนมินายนวันที่24ธันวาเราออกจากห้องนั้น ตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมจนถัดวันที่หนึ่งกรกฎาคมจนกระทั่งวันที่ยี่บสี่ธันวาคมปีสองแปดหลอกจาก ห, นนห้องนอนห้องนั้นของทุกอย่างให้อยู่อย่างเก่าไม่แต่เป็นอารมณ์รู้สึกว่าหลุงปู่อยู่กับเราความรู้สึกขนาดเป็นนับบวชยังพวกเรามันทําไมจะไม่เป็นภูมิต้านทานความรู้รู้เรื่องส ร, รพสับรู้เรื่องความเป็นไปของสัตว์สังขารไม่มีอานาจไหนจะมาต่อรองได้ อำนาจของทรัพย์มหาสมบัติขนาดไหนแม้แต่อำนาจของพระราชาอย่างพระองค์ท่านผู้ทรงคุณนั้นประเสริฐพระลุงปู่แหวนบอกพระโพธิสัตวอย่าไปแตะพระโพธิสัตว์พอเราเนี่ยเป็นไผ่เนี่ยท่านบ้านผมไม่รู้ละปู่ว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เล่าไหนปู่แหวนบอกเราเพราะางนั้นเป็นบุคคลแห่งทษและคุณใครยกย่องเทิดทูนพระองค์ท่านก็ได้บุญได้คุณคือกิจใจรวทธีพึ่งใครไปเหยียดดั่งทำลายจาบย้วงพระองค์ท่านทิ่หายร่มจมไม่เป็นอื่นเป็นบุคคลแห่งโทษและคุณจริงๆเพราะ ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างพวกเราถ้าคนธรรมดายังเอาท้าทายได้เลยเก่งเก่งไปเกิดแล้วสิ<อ>เกิดบนบอลลังมหาเศรษฐาฉัดผู้ที่มาจากอำนาจของบุญกุศลอย่างพระเจ้าของพวกเราก็เคยเคยเกิดภายใต้มหาสเสรษจาฉัดอย่างพชาติที่เป็นพระเทมีนห็นไหมหนั่นผู้ที่จะามาเป็นสัพพันธ์อยู่ ท่านเกิดขึ้นมาท่านก็รู้เดียว่าโพธิสัตว์สัต์รู้ท่านไม่ติดท่านไม่ติดอำนาจของความน่าจะติดเราผรู้อาศัยสิ่งที่ได้มาเนะ่ะมาบริหารใช้สอยให้เป็นประโยชน์แก่เจ้าของเบื้องต้นจาะนั่งกับเพื่อมหาชนแต่สําหรับมาหาบุรุษแล้วจะเพื่อมหาชนเป็นใหญ่เรื่องเจ้าของมันอยู่เหลืบไหนไม่รู้นะ่ะเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นเห็นไหมนักสร้างบา ร, รมีจะเป็นอย่างนั้น ถ้าลำพังพระองค์เองพุทธจ้าของเรานี่สวยยอมเปิดจิตปวดใจฟังธรรมสมัยที่เป็นดาบทกับบรรลุเป็นพระหรหันแล้วแต่ความที่ท่าน่พระองค์ท่านอยากมองเห็นพระศ า, าสดาองค์นั้นองค์นี้เยาวันเรก็ลืมนะท่านอยากจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะท่านว่าเลยไม่ไม่สนใจจะฟังถ้าสนใจฟังพระองค์พรามฤษีคนนั้นกับบรรลุเป็นพระหรหันแล้ว แต่ท่านไม่เอาละความเป็นอาหารหัตตภูมิเพื่อที่จะประารถนาเป็นพุทธภูมิแต่การเป็นพุทธภูมิมันต้องใช้ความพร้อมหนึ่งเราจะสร้างธรรมาตุเราจะมีไม้จิ้มฟันมาสร้างได้ไหมละ่ะมันไม่ได้มันต้องทับสัมภาระที่จะพอเป็นธรรมาตุมันต้องพอๆกันหรือเนื้อกว่ากันอันนี้เหมือนกันละ่ะทัตสัมบ ร, รมีบ ร, รมีสิบทัตกระจายไปเป็นสมอาการก็เลยปกลายเป็นบ ร, รมีสาสิบทัศ มีทุกภพอาการเกิดภายใต้สวรรค์ฉัติท่านไม่เก่าสมัยชาติเป็นพระไตรมีผู้เป็นแม่ซึ่งเคยเป็นแม่ชาติก่อนทักเอามาอีกแล้วเหรอไม่เข็ดไม่ขยาดบอกเป็นอย่างนี้แหละชาวที่แล้วเป็นอย่างนี้แหละมาเกิดภายใต้สวัสคิชาติอย่างนี้แหละโตขึ้นมาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยความชอบธรรมโตขึ้นมาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ภารกิจของคำพระราชามกิจของพระราชามันมีหลายอย่างหลายกรรมกฎเกณฑ์ของบ้านของเมืองกฎเกณฑ์ของการกระทําของพระราชาผู้รับผิดชอบเว้นแคว้นตัดสินปัญหาจากสาสตร์ใหเขาจงขึ้นมาผิดบ้างถูกบ้างตัดสินประหารคนตกนรกหกหมืน 6, ปีชาตินั้นน่ะ ออกมาอีกแล้วเหรอเนี่ยผูดเป็นแม่ทักท่านจําได้ทันทีเกิดขึ้นมาวันนั้นจำได้ทันทีแม่ทักแม่ซึ่งเป็นเทพธิดาอยู่สเวตชาติไม่ใช่แม่ชาตินั้นเป็นแม่ที่ชาติก่อนที่อยู่เป็นเทพธิดาอยู่สเวตชาติทักคุณนี่ก็รู้เอา้เอาเราตายแล้วคนนี้ทํำไมจับค้นล่ะทําไมจับค้นล่ะที่ดูสิปัญญาบรารมีมาจากไหนท่านเลยกว่าปัญญาก็สั่งสมมาพอแล้วแต่ชาตินั้นจะยิ่งด้วยความ ความอดความกัน้นความวิริยะอุตสาหะความอดความทนของพระองค์ท่านพระองค์เพงคิดได้ว่าจะทนเอาจะทนเป็นคนง่อยคนเปลี่ยจะไม่แสดงว่าเป็นคนสมบูรณ์จะเป็นคนปกติจะเป็นคนทุกพลภาพพ่าคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยจากนั้นก็แสดงตัวเป็นคนทุกพลภาพเป็นคนง่อยคนเปลี่ยคิดดูสิคนแต่ละวัยแต่ล ะ, ว, ละวัแต่ละปีแต่ละวันแต่ละเข้ามาทดลองเอาไปทดลองผู้เป็นแม่ไม่รับไม่รับผู้เป็นแม่รับไม่ได้ผู้เป็นพ่อไปจากนั้นคนก็ยุยงว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ผลที่สุดพระองค์ก็รอดมาจนกระทั่งเขาไปทิ้งเขาไปทิ้งพระปกอุณงไปอิสระแล้วก็ถึงว่าแสดงตัวเป็นคนปกติ<ม>เพราเป็นปกติเขาไม่ได้ปกติตา ม, มเขาเหล่านี้เพราะพูดให้เยอะหวังกว่าวังอยู่อย่านั้นพระองค์ถึงรอดรอดมาเพราะความฉลาดของพระองค์แต่ทนเห็นไหมความอดความทนของพระองค์เพื่อที่จะมาเป็นพระพระทุทธเจ้าอือปดเปรี้ยวกินหวานขนาดนั้นแหละบางพวกเราไม่ได้หนักหนาสหัสอย่างนั้น<ม>อดบ้างทนบ้างอดความความชั่วเล็กๆน้อยๆที่ที่เราทนได้อยู่นะ พราเรามีวิชาการหน้าที่าการานอย่างนี้เราเป็นมนมุษย์สมบูรณ์ขนาดนี้อดเพื่อกิตเพื่อใจตรงนี้ให้มันพ้นพ้นไปพ้นไปพ้นไปไจะสะอาดเรื่อยผลปรากฏเป็นความสะอาดเป็นความสุขเป็นความถูกต้องดีงามจากการกระทาําของเจ้าของไม่เป็นอื่นอืหัวใจยังจับวางจับวางเลยดี๋ยวพวกเรามันทนไม่ได้อดไม่ได้พออไเพราะอะไรเพราะอานาจสิ่งต่อสู้เราคือคอํานาจฝ่ายต่ํามันก็มาต่อรองเราเราก็เขาเขาเป็นแชมป์โลก แชมป์โลกคือกีฬัทหารสะวะชมป์โลกผู้ที่จะชิงแชมก็ต้องเหนือกว่ามันที่อย่าไปคิดว่ามันจะอ่อนข้อย่อหย่อนมาให้เราไม่มีทางนะมันเฉ ล, เลียวฉลาดยิ่งกว่าเราร้อยเท่าพันเท่าเพราะอะไรมันก็อาศัยใจใเรานี่แหละพลิกแพรงร้อยสามพันคมเหมือนกันแต่ไม่เหนือกว่าธรรมะของนักปราดท่านซึ่งเราก็มีอยู่แล้วเพราะว่าคําสอนพระองค์มีเราเอามายอมจิตซ้ำใจของเราจนกระทั่งเป็นบัณฑิตขึ้นมาภายในใจของเราเราจะเหนือกว่ามัน ถ้าปราดฝายว่าอย่างนั้นล่ะต้องเหนือที่ไม่มีอะไรเหนือกิเลสยิ่งกว่าทำทำมาจากไหนคือสติสติอยู่ที่ไหนล่ะก็เราตั้งขึ้นมาได้นี่สติไหนเ่ะสติเป็นมาติกาเป็นฐานของอัดของทำความเฉลียวฉลาดทั้งหลายมาจากสติความมีสติเป็นฐานของความรู้จากนั้นมันจะรู้เหนือรู้ใต้รู้ทิศรู้ทางรู้ความอดความคลั่นรู้ความรู้จักพอเหมาะพอดีเอรู้จักการให้รู้จักการให้มันเห็นผลของการให้เพราะอะไรเพราะเพราะเขาได้โอกาสไปโอวก็เขา เขาดูเหมือนดูดีอ่ะเออพอเขาได้ปั๊บเราเขาดูดีเขาเป็นมิตรกับเราทันทีเพาเราให้เนี่ยเไี่ยเป็นผลขึ้นมาทันทีนะถ้าเราไม่ให้สิเราไปเบียดปั๊บเขาก็จะเป็นศัตรูเรตอนั้มันเหมือนเป็นพวกแข่งกันทันทีถ้าเรายอมเสียสละคือการให้นั่นการให้ทานให้ทานอภัยทานให้ทานธรรมดาๆกับเป็นระดับหนึ่งทานจนกระทั่งกลายเป็นอภัยทานเอเป็นธรรมทานเป็นจะเป็นอย่างนั้นแ่ะเป็นกวาดเกิดจากการชํานาญทําจนชานาญ ของทำง่ายที่สุดก็คือทำบนให้ฐานเบื้องต้นคือวัตถุฐานจากนั้นจากนั้นมันจะกลั่นขึ้นไปจนกลายเป็นธรรมทานพอเป็นธรรมทานแล้วไม่ต้องกลัวละไ ม, ม่บัติไม่จิบหายไม่ล่มจมเพราะอะไรมิจฉมิดไม่ได้อุปการะเอาละ